อากาศแวดล้อมรอบตัวเต็มไปด้วยความเยือกเย็นชื้นแฉะไม่นานนักเขาก็มาถึงตรงบริเวณที่หมายตาไว้ครั้งแรกลักษณะของมันไม่ผิดอะไรกับป่องก้นเหวเดิมที่หล่นลงมาเลยเบื้องบนเป็นทางสูงชันแงนคอตั้งบ่าและมืดมิดแสงรำไรมาจากบริเวณด้านล่างเท่านั้นระดับเหนือศีรษะขึ้นไปเล็กน้อยที่พอจะมองขึ้นไปเห็นก็รกรุงรังด้วยรากไม้และเถาวัลย์ลักษณะแปลกๆพันกันอยู่เป็นซุ้มกระเซิงตำแหน่งนี้มีโพรงทะลุแยกออกไปหลายสายบาง บางโพงก็ลึกดำมืดบางโพงก็เห็นแสงสว่างปรากฏอยู่ไม่ห่างนะักเหมือนจะเป็นช่องเดินของสัตว์เลื้อยคานบางชนิดเพียงแต่ว่ามันเจับเข้าไปในผนังหินโดยธรรมชาติพื้นเพื่องล่างเล่าก็เป็นบ่อเล็กบ่อน้อยลักษณะกลมดิกราวกับใครเอาสวรรค์มาจาะไว้มีน้ําขังอยู่เต็มนั่นเป็นลักษณะของบ่อที่มักจะปรากฏพบเห็นอยู่ตามเขาน้ําตกทั้งหลาย รัชพินตรวจบอ่อเหล่านั้นอย่างใกล่ครัวนรรมัดระวังเขาสังเกตเห็นกระแสน้ําในบอ่อไม่ได้หยุดนิ่งแต่มันเคลื่อนไหวเหมือนจะมีลําธารน้ําไหลยอยู่ภายใต้บางบอ่อก็ตื้นเพียงสอกเดียวแล้วก็มีก้นเป็นรูแคบพอให้ฝ่ามือสอดลอดลงไปได้จนถึงสุดช่วงแขนขณะที่เอื้อมมือควานลงไปเขาก็สัมผัสกับการพัดไหลของมันได้อย่างแน่ชัดกระแสน้ํานั้นเย็นเฉียบราวกับแช่น้ําแข็งบางบอ่อก็ลึกเป็นแนวตรงลงไปชนิดที่ไรเฟิลอันยาวเหยียด แย่จากพานท้ายลงไปจนแทบจะถึงปากกระบอกก็ยังไม่กระทบอะไรเลยพื้นหินบางตอนก็ตันทึบบางตอนก็มีเสียงสะท้อนปโปรง่งเหมือนมีโพรงอยู่ภายใต้เขาตกลงใจที่จะมุดลอดโดยอาการเลื้อยตัวเองไปตามช่องโพรงที่คดเคี้ยวเชื่อมโยงกันอยู่ไปมานั้นต่อไปโดยมุ่งหน้าหาด้านที่พอจะเห็นสว่างโล่งขึ้นมันผ่านออกมาพบบริเวณก้นป่องแคบบางกว้างบาง ครั้งแล้วลักษณะแล้วลักษณะเล่าเหมือนเตาขนมครบอันดูเหมือนแทบจะหาที่สิ้นสุดไม่ได้ทุกครั้งเมื่อพ้นจากโพรงใต้หินออกมาสู่ปล่องเงยขึ้นสำรวจก็มองไม่เห็นอะไรจะเป็นที่หมายได้ทั้งสิ้นนอกจากรากไม้เถาวัลย์และแง่หินระดับที่สูงชันขึ้นไปเล็กน้อยขณะที่ลำแสงลางๆจากเบื้องล่างจะทอดขึ้นไปถึงแล้วก็ค่อยๆดำมืดจนมองอะไรไม่เห็นในระดับที่สูงขึ้นไปมีบ่อน้าให้เห็นอยู่ทั่วๆไป ครั้งหนึ่งเมื่อพบเข้ากับบ่อหินวงกลมกว้างประมาณสามฟุตจอมพานทดลองค่อยๆหย่อนตัวลงไปปรากฏว่าระดับน้ำลึกจนเขาไม่อาจควานเท้าหาพื้นได้พบนอกจากแง่หินภายใต้บางส่วนและกระแสน้ำที่พัดอยู่ข้างล่างเชี่ยวกล่าบทำท่าจะพัดพาดูดเขาให้หลุดตามเข้าไปด้วยต้องเกาะขอบไว้มั่นและออกแรงเหนียวดึงกายกลับขึ้นมาอย่างยากเย็น แบบนี้เขาแน่ใจแล้วว่ามีลำธารใต้ดินไหลผ่านก้นป่องนี้อยู่ข้างล่างมันจะเป็นทางน้ำที่ไหลามาจากไหนและทะลุออกไปอย่างที่ใดก็เหลือจะคาดคะเนดได้ อย่างไรก็ตามจากความชำนาญการที่สังเกตเห็นเถาวันก็ดีรากไม้ที่โผล่แยงทะลุหินออกมาก็ดีเขาอยากจะเชื่อว่าปล่องเหวหรือก้นบาดาลที่หล่นลงมาติดอยู่นี่มันไม่น่าจะลึกต่ำลงไปจากระดับผิวโลกจนเกินไปนะักระบบขับถ่ายของอากาศและอุณหภูมิพอที่จะทำให้เห็นร่องรอยของพืชเหล่านั้นขึ้นงอกเจริญอยู่ได้พยายามตรวจดูลักษณะของเส้นเถาวันและรากไม้อย่างพิณิต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 ใต้เหวอันชื้นแฉหรือไม่มันเลื้อยเกาะไปตามรอยแตกของพื้นหินคล้ายเห็ดราและบางขณะก็งอกโผล่ยื่นออกมาเกะกะรุงรังมีแต่ตุ่มตาเป็นข้อๆไม่นานต่อมานะักภายหลังจากผ่าปากบอ่อที่ทดลองเอาตัวจุ่มลงไปออกเดินสำรวจดูตามช่องโพรงเขาก็พบเข้ากับโพรงใหญ่เข้ามุมนึงกว้างขวางกว่าทุกช่องที่ใช้คานลอดเลาะเข้ามาเพราะมันพอที่จะเบียดตัวผ่านเข้าไปในลักษณะก้มและมีลําแสงผ่านเข้ามาให้เห็นมากที่สุด ยังไม่มีการรีรอต่อไปและพินเลือกทางนั้นทันทีค่อยๆก้มตัวจะหลดเท้าลัดเลาะเข้าไปทีละก้าวอย่างระวังตัวแจเขารอดชีวิตมาได้แล้วจะไม่ยอมให้อุปตวะเหตุหรือพยันตรายใดๆที่ไม่สามารถจะรู้ล่วงหน้าเข้ามาเล่นงานเพราะพังเผลหรือชล่าใจเป็นอันขาหนทางมันเริ่มขยายกว้างขึ้นทุกขณะต่อมาก็แววเสียงน้าไหลผ่านโพงหินถนัดขึ้นเป็นลาดับ บัดนั้นเองจะเป็นด้วยอุปทานหรืออะไรก็สุดที่จะบอกได้เขาได้ยินเสียงกรีดร้องแหลมกล้องแว่วมากระทบโสดอันรั่นกลิ่งด้วยความวิงเวียนอ่อนเพลียผานใหญ่ยืนเบิกตาโพรงสกัดกั้นลมหายใจพยายามเงี่ยหูไม่ถึงอึดใจต่อมามันก็กล้องสถานมาอีกคราวนี้ได้ยินถนัดแว่วออกมาจากปากทางที่กาลังจะบ่ายหน้าไปนั่นเองเป็นเสียงร้องอย่างประหนกตกใจและหวาดสยองขีดสุดของมนุษย์และแน่ละผู้หญิง มันจะเป็นเสียงหลอกหรือเสียงหลอนอันเกิดจากประสาทหรืออะไรก็ตามทีรับพิดภัยวันพุ่งปาดออกไปด้วยพลังวังชาที่กลับคืนมาโดยไม่รู้สึกตัวชั่วกลั้นใจเท่านั้นเขาก็ทะลุออกมาสู่บริเวณกว้างตอนหนึ่งภูมิประเทศมันจะเป็นอย่างไรก็ไม่มีโอกาสที่จะสํารวจมองได้ในขณะนี้เพราะเสียงหวิดร้องเป็นครั้งที่3ดังลั่นลงมาจากซอกหินเหนือศีรษะที่เขาหลุดออกมายืนบุนอยู่นั่นเอง ในแสงที่เหลืออยู่เพียงสลัวรางเต็มทีเขาเห็นกับภาพที่เกิดมาไม่คิดฝันว่าจะได้เห็นอีกภาพหนึ่งขึงเป็นสายสีมุมติดอยู่กับผนังและแง่หินสีด้านในระดับที่สูงจากที่เขายืนขึ้นไปราวห้าล้าเป็นตะข่ายอะไรชนิดหนึ่งแต่ละเส้นของสายใยสีดำสนิทเหล่านั้นมีขนาดใหญ่เท่าเชือกมัีลาเส้นเขื่องๆ อ, งอนาบริเวณของตะข่ายประหลาดนี้กว้างราวกับขดแบดมินตัน ขณะนี้ทั้งแผงของมันกำลังไหวยวบยากด้วยอาการดิ้นรนของสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่ติดอยู่กับเส้นตะข่ายด้านที่ชิดกับผนังหินด้านซ้ายเสียงกรีดอย่างสุดเสียงดังมาจากร่างอันดิ้นรนอยู่ไหวๆนั้น จากอาการดิ้นรนและเสียงร้องนั่นเองดูเหมือนจะเป็นการเรียกเร่งให้เจ้าของสายใหญ่ที่ขึงไว้เคลื่อนตัวงุ่มง่ามจากหินผาฝั่งตรงข้ามไต่สายใหญ่ตรงเข้ามาที่เหยื่อเร็วขึ้นมันเป็นลักษณะลูกกลมขนาดใหญ่และเล็กเรียงต่อกันสองก้อนส่วนที่เล็กเป็นหัวและส่วนใหญ่ก็คือลำตัวประกอบไปด้วยขายาวโค้งซึ่งแผ่ออกไปเป็นรัศมีรอบตัวแปดขาในตาทั้งคู่แดงกำ่ำแวววาวเหมือนทับทิมมีขนปุกปุยเป็นสีเทาไปหมดทั้งตัว แบงมุมยักษ์กับใครก็ยังบอกไม่ถูกเพราะไม่มีเวลาที่จะสังเกตเห็นได้ในวินาทีครับแคบขีดขันจุดนี้ลำตัวอันแสนจะน่ากเกลียดน่ากลัวขนาดกระด้งฟัดข้าวนั้นใช้ตีนของมันโหนสายใยเส้นเดียวที่ขึงติดผนังหินเข้ามาถึงบริเวณอันเป็นตะข่ายแล้วและบัดนี้กำลังย่างสามขุมเข้าไปที่กับดักที่มันขึงไว้ตรงเข้าไปยังเหยื่ออย่างแช้าช้าเคี้ยวเหนือปากทั้งคู่ขยับอยู่ไปมาแลเห็นถนัดราวกับเคี้ยวเกี่ยวข้าว อีกวาเสษจะถึงตัวและเสียงกริดก้องดังขึ้นเป็นครั้งสุดท้ายรัพินภัยวันจึงฟื้นจากร่างกายที่แข็งทื่อเป็นหินและเคลื่อนไหวโดยฉับพลันตวัดไรเฟิลขึ้นบ่าเล็งเสยจากระดับเบื้องล่างขึ้นไปยังบริเวณใต้ปากอันน่ากลัวนั้นแล้วกระดิกไกลตู กระสุนแตกระเบิดขึ้นสะเทือนคลื่นไปทั้งก้นหุบในที่อันแวดล้อมไปด้วยหินผาทุกด้านเช่นนี้มันยิ่งกว่าฟ้าผ่าวิบตาเดียวกับที่เปลวไฟแลบวูบเป็นทางออกไปพ้นปากกระบอกปากและเขี้ยวส่วนหน้าที่สุดของบริเวณศีรษะของไอสัตว์ชักยัยยุคโลกล้านปีกระจายเป็นชิ้นส่วนเปลวขึ้นไปบนอากาศขาทั้งแปดที่เคลื่อนที่อยู่อย่างงุ่มง่ามกระตุกหดเข้ามางอชิดตัวแล้วเหยียดสะบัดออกลับไปสลับกันอย่างรวดเร็วในลักษณะชักพลาด ของเหลวสี่กรัทะลักเป็นสายพูร่วงลงมากระทบพื้นหินเบื้องล่างราวกับใครเทวุ้นด ำ, ดำๆเละๆลงมาจากถังแล้วผินสลัดต่ออย่างรวดเร็วแรงอีกครั้งแต่ก็ไม่จำเป็นเสแล้วก่อนที่จะลั่นนัดที่สองขึ้นไปเจ้าโคตนแมงมุมตัวนั้นพลิกหงายท้องหลุดพัดจากสายใหญ่ที่มันค่้อมอยู่ห้อยร่องแร้งติดค้างอยู่กลางหาวโดยมีสองขาด้านหน้าเกาะเกี่ยวติดอยู่กับสายใหญ่ ตัวที่เห็นพองอยู่บัดนี้หดเหี่ยวเหลือแต่กล้ามเนื้อที่ท้องซึ่งไหวริ้วอยู่เป็นระรอกช้าๆส่วนที่เป็นก้นหดและยืดยาวออกไปสลับกันอยู่เช่นนั้น จอมพันขยับตัวจะหาหนทางปีนป่ายขึ้นไปยังร่างที่เห็นดิ้นไหวไหวอยู่นั้นอย่างเร่งรีบแต่แล้วเขาก็ต้องชะงักอยู่ที่เดิมจ้องไลฟ์เฟอร์คูชีพเล็งอีกครั้งอย่างใจหายใจคว่ํากำบ้าเสียงสะเทือนจากนัดแรกเมื่ออึดใจที่แล้วทําให้เกิดอาการปั่นป่นปวนพุ่งผ่านไปทั่วทั้งหมดอย่างช่องโตรงเหนือศีรษะขึ้นไปซึ่งขึงเต็มสลับซับซ้อนไปด้วยใ ย, ยมริตยูเขาเพิ่งจะสังเกตเห็นได้ชัดเดี๋ยวนี้เองระหว่างช่องหินสองด้านอันลักษณะเหมือนภูเขาไฟสองลูก แยกทางเอากันเป็นร่องนั้นล้วนเต็มไปด้วยแมงมุมยักษ์ที่ชักขึงใยอยู่เกศกะรุงรังไปหมด พวกมันพากันวิ่งพลาดอยู่ไปมาบนตะข่ายที่ชักไว้ทําให้เกิดอาการแกว่ง ว, วัยวัยวบยาบอยู่ไปหมดเหมือนภาพหลอกล่อนในนิมิตไร้ายแม้จะยึดครองกันอยู่คนละแผงใหญ่และมีระยะที่ห่างกันออกไปก็ตามอากับกิริยาของพวกมันดูไม่น่าไว้วางใจนะักเพราะเริ่มแสดงอาการตื่นเต้นรับรู้กับสิ่งแปลกปลอมและจะเป็นไปในลักษณะตระหนกหรือดุร้ายก็ยังไม่อาจคาดคะเนได้แต่ความใหญ่โตมหึบาลของมันเมื่อเปรียบเทียบกับมนุษย์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 หลายตัวทําอาการวิ่งพลานและขยมอยู่บนใยของมันและอีกหลายตัวก็ไต่ยุ่มย่ามอยู่ตามหน้าผาหินอันเต็มไปด้วยแก่งแง่และซอกโครงดูเยอะเย้ชวนให้ขนหัวลุกโดยเฉพาะอย่างยิ่งขนาดอันใหญ่โตผิดธรรมชาติของมันอย่างเล็กที่สุดก็ขนาดชามกะละมังเขืนเครืๆซึ่งเกาะรวมกลุ่มกันอยู่บนแผงใยขนาดใหญ่ที่สูงขึ้นไปโดยมีแม่ตัวเท่าตุ่มสามโคกบนตัวเข้งคลางกลางใหญ่ ตัวหนึ่งที่ทําให้จอมพานต้องตาดกระสุนเข้าใส่อีกครั้งก็คือตัวที่คลานปีลงมาจากแง่งหินด้านซ้ายซึ่งเป็นด้านที่ร่างกายเหยื่อติดอยู่ใกล้ที่สุดกริยาของมันเต็มไปด้วยความตุตร้ายหิวกระหายมีอาการเหมือนจะกระจนเข้าใส่เพียงแต่ขยับตัวเพื่อหาตําแหน่งเหมาะเท่านั้นพลานใหญ่เปิดกระสุนนัดที่2 อ, ออกไปในชั่วงพิษตานั้นเตร้งเดียวทั้งแง่งหินและไอแมงมุมยกักษ์ตุตร้ายกระเด็นหลุดออกจากแง่าผาไปพร้อมๆกันลอยคว้างหล่นภาคเสียงดังสนั่นลงมากับโขดหินด้านล่าง เขาบรรจุ ก, กระสุนอย่างรวดเร็วและเลือกยิงออกไปอย่างรีบเรื่ออีกสองนัดโดยเล็งเป้าหมายไปยังตัวที่เคลื่อนเข้ามาใกล้ที่สุดท่ามกลางความเงียบจุด4 5หคำรนสนั่นวันไหวไปทั้งก้นเหวหินรอบด้านดูเหมือนจะสถานไหวไปหมดด้วยอนุภาพแรงอัด ทั้งสองตัวพงะพึ่งลงมาไม่เป็นท่าเสียงดังเหมือนใครจับควายโยนลงมาทั้งตัวรวมทั้งตัวแรกที่หัวขาดเอาติมเกาะเกี่ยวไว้กับยายห้อยร่องแร่งอยู่บัดนี้ตีนที่เกี่ยวไว้หมดกำลังปล่อยตัวเองให้หล่นลงมาเฉียดจากการบด ท, ทับเขาไปอย่างบุดบิดเพราะมันกระทบพื้นหินเบื้องล่างห่างไม่ถึงวาของเหลวสีข้นทลักกระจัดกระจายกระเด็นมาเือนตัวเขาและส่งกลิ่นคาวคลุ้มไปหมด รับพินวางไรเฟริลพิงไว้กับแง่งหินกระชากปืนสั้นขึ้นมาแล้วกระโดดเกาะโขดหินแต่อย่างระมัดระวังตรงไปยังร่างที่นอนติดอยู่ริมใ่ราวกับถูกใครมัดไว้นั่นอีกมือหนึ่งกุม .44 แม็กนั่มกระชับแน่นตาตื่นเบิกโพร่รงจ้องระวังไปรอบด้านเขาพร้อมที่จะลั่นกระสุนออกไปได้ทันทีเมื่อเจ้าตัวใดตัวหนึ่งตรงรีดเข้ามาแต่บัดนี้ความตื่นตกใจต่อเสียงไรเฟริลดูเหมือนจะทําให้มันกระจายหนีห่างออกไปหมดสอสาตัวขยับทําท่ายอยู่เหมือนกันแต่ แล้วก็ถอยกลูงองหีบไปเมื่อจอมพานกระหน่ำปืนเข้าใส่อย่างเฮี้มเกลี่ยแง่หินที่ไต่ขึ้นไปนั้นสูงชันหมิ่นเนะและเต็มไปด้วยคราบตะไคร์อันแสนลื่นไม่หนังซ้ํายังมีสายน้ําไหลจากที่สูงลงมาเป็นทางริมริมหลายอึดใจทีเดียวที่เขาพยายามพยุงตัวขึ้นไปจนถึงเส้นใหญ่ของสายใหญ่ด้านซ้ายมือร่างที่นอนติดอยู่บบบ น, นี้ลอยคว้างอยู่กลางหาวห่างจากระยะที่เขาชะโนกตัวเอื้อมถึงประมาณหนึ่งวาและมองเห็นหน้ากันถนัดที่สุด ระพินเสียงนั้นลั่นออกมาสถานสัน่นตรนกและดีใจขีดสุดตะคนกันราชสกุลสาวมรวดารินสวรรค์ทโปรดเถิดหล่อนยังมีชีวิตอยู่ ส่งมือมาให้ผมเร็วจอมพานชงโงกตัวไปสุดช่วงพร้อมกับเหยียดแขนยื่นไปให้ตะโกนบอกจนหมดเสียงนักมนุษย์วิทยาสาวกัดฟันแน่นชูมือไหวๆเข้ามาหมายจะให้ถึงมือที่เขายื่นออกไปรับมันห่างกันฟุตเศษหล่อนพยายามตะแขงตัวแต่ขายมรุตยูอันเป็นใยแมงมุมยากนั้นติดพันกายไว้แน่นและโยกไหวถ่วงห่างออกไปด้วยสปริงยืดหยุ่นของมัน จับไม่ถึงหลอนร้องสะบัดหน้าอยู่ไปมาอย่างทุรนทุรายผานใหญ่ใช้มือและเท้าอีกด้านหนึ่งเกาะแง่งหินไว้แน่นพยายามยืดตัวออกให้ได้แต่ก็หมดหวังอยู่นิ่งๆก่อนอยังพึ่งขยับเขาร้องบอกต่อมาแล้วถอยกลับไปยืนตั้งหลักดึงเชือกไนล่อนประจำตัวออกมาจากย่ามหลังอย่างรวดเร็วผูกเป็นบ่วงเข้าแล้วโยนไปให้หลอนดารินเอื้อมมือมาคว้าไว้หลอนพลาดไปสองครั้งและครั้งที่สมถึงจับได้มัน่น เอาเงื่อนมัดติดกับข้อมือไว้อย่าเพิ่งดึงจนกว่าผมจะบอกพานใหญ่ตะโกนสั่งมาอีกหญิงสาวปฏิบัติตามคําสั่งทันทีสอดข้อมือเข้าไปในบ่วงที่เขาทําไว้แล้วแกว่นมือให้สายบ่วงรัดติดกับข้อมือขณะเดียวกันกับกำไว้อีกข้างหนึ่งจอมพานขมวดพานสายเชือกไว้กับแง่งหินที่ยื่นเป็นจะงอยออกไปสามทบเพื่อใช้เป็นหลักยึดอันมั่นคงพอเรียบร้อยก็ล้องขึ้นเอาล่ะ ออกแรงดึงเชือกระวังตัวเองด้วยถ้าหลุดจากสายใยจะหล่นแกว่งเข้าหาหน้าผาพยายามใช้หลักยืดหยุ่นยันรับน้ำหนักตัวเองไว้ดาวดินแยกเขี้ยวรวบรวมกำลังที่มีอยู่ทั้งหมดออกแรงดึงสายเชือกนั้นค่อยๆฉุดตัวเองให้หลุดพ้นออกมาจากการติดพันอันเหนียวแน่นของใ ย, ยแมงมุมที่ตรึงไว้ราวกับกาวและพินช่วยฉุดอีกแรงหนึ่งจากปายเชือดด้านที่มัดติดแง่งเห็นไว้ก่อนแล้วอึดใจใหญ่ๆต่อมาของความพยายามจนสุดชีวิต ส่วนไหล่และสะบักของหล่อนก็พเพิ่ขึ้นมาได้แล้วแขนด้านขวาที่ถูกตรึงอยู่ในลักษณะขึนพืชก็หลุดออกมาอีกข้างหนึ่งเอื้อมาช่วยจับสายเชือกไว้ทั้งสองมือ ทันทีนั้นเองหล่อนก็ชะงักการดึงฉุดตัวร้องบอกออกมาเสียงหลงระวางมันลงมาข้างหลังจอมผานใจหายวับคว้าปืนสั้นที่วางไว้บนก้อนหินข้างๆตัวเหลียวขวับขึ้นไปทันทีขาหน้าของไอ้แมงมุมยักษ์ตัวที่ค่อยๆไต่หินเงียบลงมาบั น, นี้ยกขึ้นในลักษณะตะกายตบห่างจากศรีรษะของเขาพิณฝ่ามือเดียวแล้วพิณสับไก่ปรากฏเสียงดังแชะเข็มแทงชนวนกระเทะเจาะลงไปบนท้ายกระสุนอันว่างเปล่าคุณพระช่วย ทั้งหนัดในลูกโม่ของซูเปอร์แบ k ค็อกจ่ายหัวกระสุนออกไปหมดแล้วในการยิงกรดไล่ของเขาเมื่อตะกี้พร้อมกันมันก็เคลื่อนตัววูบเข้ามา ดารินมองเห็นเหตุการณ์ร้ายนั้นถนัดตาที่สุดเพราะห่างเพียงสองวาเท่านั้นห ล, อลอ่อนน้องอุทานออกมาสุดเสียงอย่างขวัญหายพรานใหญ่เองยามนี้ก็ตกใจแทบสิ้นสติความคับขันขีดสุดมาถึงเขาอีกแล้วท่ามกลางแง่ขดหินอันแคบจำกัดและสูงชันโดยมีเจ้าแมงมุมยักษ์ซึ่งมองเห็นกันในระยะใกล้ๆเช่นนี้ไม่มีอะไรจะน่าสยดสยองพันพึงเท่ากับมันกาลังอ้าเขี้ยวตาลูกจ้าไล่สกัดหมายเขยิ้เขาอยู่ พลิตาแรกที่รู้ว่าปืนหาประโยชน์อันใดไม่ได้นั่นเองเขาก็หอบตัวลงมาหลบยังซอกเบื้องต่ํามันไต่พุ่ดพุ่งเข้าหมายขยึงเลยผ่านไปยังก้อนหินเบื้องล่างรับพินตะกายอ้อมเลาะหนีไปหลบอยู่อีกด้านหนึ่งของโขดหินที่ใช้เป็นหลักยึดสายเชือกของดารินไว้มันก็แหวงตัวคลานไล่เข้ามาอย่างดุร้ายหมายมั่นลักษณะไม่ผิดอะไรกับเสือมแมลงวันขยายส่วนขึ้นสักล้านเท่าและขณะ น, นี้สภาพของเขาก็ไม่ผิดอะไรกับมแมลงวันที่ปราศจากปีก เล่นเอาเถิดเจ้าล่อ ก, กันอยู่ในระหว่างซอกมุมหินอันระเกะระกะนั่นเองอาศัยที่มนุษย์เป็นฝ่ายตัวเล็กกว่าและมีความคล่องแคล่วรวดเร็วเหนือกว่าในภูมิประเทศแคบจํากัดเช่นนี้มันยังไม่หันไปสนใจกับดารินผู้ติดค้างอยู่กลางใยห่หางออกไปเท่าไใดนะแต่เพียงพยายามที่จะ ก, กวดไล่จับระพินพยขย้ําเคี้ยวเป็นพักษาหารให้ได้ดักหน้าดักหลังบังมุมกันอยู่ชายแง่นั่นเองผานใหญ่กระชากมีดโบวี้ออกมาถือกระชับไว้แน่นกับมือพยายามหลบหลีก อ้อมนม้วนอยู่ในซอกหินแคบชนิดที่ศีสันใหญ่โตประดับไปด้วยดวงตาแดงกลําเป็นทัพทีมคู่นั้นไม่สามารถที่จะเลือกรอดเข้ามาได้โดยสะดวกนอกจากใช้ขาหน้าเขียดตบและตะกายเข้ามาพอได้จังหวะเขาก็กะหน่าฟันขานั้นสุดแรงเกิดตัดส่วนตายของมันกระเด็นขาดออกไปได้ประมาณครืบเศษทําให้มันเกลี้ยวกลาอมกดแค้นยิ่งขึ้นลุกไล่สกัดหน้าสกัดหลังเข้ามาอย่างกระชั้นชิดติดพันชนิดที่เอาเป็นเอาตายท่ามกลางความใจหายใจคว้าของดาริน จ้องตาลึงมองภาพเหตุการณ์อันหวาดเสียวนั้นบนสายใหยปืนของชั้นหล่อนล้องตะโกนเอ็ดบอกซ้ำซากมาหลายประโยคแล้วแต่เขาเพิ่งจะได้ยินเอาเดี่ยวนี้ตกดูหลังโขดหินแถวนั้นพยายามดูให้ดีบัด น, นั้นเองหลบไปพางเขาก็กวาดสายตาค้นหาตามพื้นไปพรานอย่างร้อนรนแล้วก็เหมือนแลเห็นพระเจ้าทรงโปรดเมื่อเหลือบไปเห็นจุด300เวเทอร์บีแมกนัมของดารวินตกในลักษณะตั้งตะแคงเอาปากกระบอกทิ่มพื้นอยู่ริมโขดหินก้อนหนึ่งในซอกบนเหนือระดับที่ เขากำลังเล่นเอาเถิบเจ้าล่อกับตัวนรกจบกระเปตดอยู่ปัญหามันอยู่ที่ว่าเขาจะออกจากโขดที่หลบอยู่ขึ้นไปหยิบไรเฟริลกระบอกนั้นมาได้อย่างไรโดยไม่ให้มันเข้าถึงตัวซะก่อน แล้วเพีงแก้งล่อหน้ามาอีกทางหนึง่งแผดเสียงตวัดขึ้นดังลั่นมันผงกลับไปนิดหนึ่งอย่างตกใจแล้วก็ทําตัวพองกระโชกเสียงฝูเข้ามาจอมพานหลบฉากอ้อมไปทางด้านตรงข้ามแล้วเห่นตะกายขึ้นไปยังเนินเรื่องบนตรงตาแหน่งที่ไรเฟริลของดารินตกชนิดแข็งมารุตเยูเขาช่ลยวเขาเฉลยปืนได้ในลักษณะที่นอนคว่ำพังภาพอยู่ก็เป็นเวลาเดียวกับที่มันโจนเข้าคล่อมอ้าเขี้ยวขย่ามกลุวมหนึ่งในร้อยของวินาทีดับจิตนี้เองจอมพานจับคอ ปืนกับกระโจมมือไว้ยกขึ้นดันศูนย์ขึ้นไปตามบุญตามกรรมในลักษณะที่พลิกห่ายกลับมาเคี่ยวทั้งคู่หนีบขบลงไปกลางโครงเหล็กของไรเฟริลติดแน่นชนิดไม่ยอมปล่อยตัวมันยังค่อมเขาอยู่เช่นนั้นแล้วพิบตาต่อมานั่นเอง หูของรับพินก็ลั่นเปรี้ยด้วยเสียงแผดแหลมของกระสุนนัดหนึ่งไ อ, อ้ยักษ์ที่กําลังเล่นงานเขาอยู่ถอยเพืดพลาดลนลานอย่างรวดเร็วเข้าไปบิดตัวด้วยความเจ็บปวดอยู่ที่มุมก้อนหินปล่อยรับพินเป็นอิสระชั่วปิดตาและก่อนที่เขาจะตั้งตัวทานหรือเคลื่อนไหวอย่างไรต่อไปเสียงปะทุระเบิดก็กึกก้องขึ้นอีกตามติดซ้ําเข้าไปที่แมงมุมยักษ์ตัวนั้น จุดสาของดารินนั่นเองมือขวาของหล่อนเป็นอิสระจากการติดสายใยแล้วและบาดนี้กระชากปืนสั้นออกมาจากซองข้างเอวหล่อนลั่นไกทันทีที่เห็นส่วนท้ายของมันได้ถนักตาเป็นการยิงมาจากตาขา่ายสายใยที่หล่อนยังติดค้างอยู่ช่วยแก้ไขสถานการณ์ร้ายของระพินให้คลี่คลายไปได้อย่างหมดวิ นัดที่สองจากกระสุนปืนสั้นแรงสูงหัวตัดแบบล่าสัตว์เจาะผ่านโพรงเนื้อได้ยินอย่างถนัดแล้วทะลุออกไปกัดหินเบื้องล่างเป้าแต ก, กระจายภาพของแมงมุมยักษ์ที่ถอยกรูเข้าไปซุกตัวหดอยู่เบื้องหน้ารับพินห่างไม่ถึงสองวามุนดิ้นทุรนทุรายระหว่างที่จอมผ่านลืมตาโพรงจ้องมันในระยะใกล้ดารินก็อัดเปี้ยงเข้ามาอีกนัด น, นึงเจาะเข้าระดับตาของมันพอดี เจ้าสัตว์8ตีนรูปร่างหน้าเกลียดหน้ากลัวหายท้องผึง่งแล้วดิ้นสุดแรงเกิดเป็นครั้งสุดท้ายแทกไทยไปรอบๆ ร, รัศมีการดิ้นของมันกวาดเข้ามากระทบพระพินผู้ยังยืนพิงเนินหินเอียงลาดอยู่ปัดเขาพัดหลุดจากชายผาหัวปักปีลำกาไม่เป็นท่ารอยละลิ้วทําท่าจะเอาตัวหม่งลงไปชนพื้นหินเบื้องล่างโชคดีที่ลอยผ่านไปตกลงในตะข่ายแผงใยสุดท้ายต่ำกว่าระดับที่ดารินติดอยู่ลงไปชั้นหนึ่งร่างของเขาจึงติดอยู่ยังตะข่ายรองรับน้ โยนตัวแกวงกลางอากาศอยู่ตงเตงไรเฟิลจุดสามูนของดารินที่กอดติดแขนอยู่พัดหลุดลงไปยังพื้นเบื้องล่างท่ามกลางเสียงร้องอย่างตกใจของดารินหลําปิดตาแน่นเข้าใจว่าถึงอย่างไรเสียผ่านใหญ่ก็หมดโอกาสที่จะมีชีวิตรอดได้อีกแล้วนอกจากคอหักเล็แหลกตกไปอยู่ยังพื้นเบื้องล่าง เมื่อหลองลืมตาขึ้นมาอีกครั้งอย่างสยองใจกับเห็นเขากำลังโหนตัวอยู่กลางสา ย, ยายอันยากเย็นแล้วไม่นานนักก็ไต่กลับเข้ามาชิดชายผาได้กำลังปีนย้อนกลับขึ้นมายัางระดับที่หล่อ น, นั่งติดอยู่ส่วนเซเข้ามาเกาะแง่หินอ้าปากหอมหน้าซีดเขียว สาวสายเชือกเข้ามาเร็วเข้าเขาร้องบอกหลอนมาขาดเป็นห่วงสังแทบไม่รู้เรื่องดาลินยัดปืนเข้าสองออกกำลังใช้มือทั้งสองสาวเชือกดึงตัวเองต่อไปอย่างแข่งกับเวลาอึดใจต่อมาหลอนก็หลุดพ้นจากสายายายึดเหนียวอันเหนียวแน่นนั้นพัดหล่นรูบลงไปกลางอากาศแต่แล้วก็ติดสายเชือกที่มัดข้อมือแว่งเข้าหาหน้าผาอันขุก ข, ขัะไปด้วยแง่หิน อาศัยที่ชายเชือกนั้นไม่ยาวเท่าไหรนะักวารแก่งกระทบของหล่อนจึงไม่รุนแรงประกอบกับที่รู้ตัวคอยใช้ปลายเท้ายันปะทะผ่อนน้าหนักอยู่ก่อนแล้วจอมพานออกแรงเต็มที่อีกครั้งโดยการค่อยๆสาวนักมนุษยวิทยาขึ้นมาครู่เดียวหญิงสาวก็ก้าวขึ้นมาถึงขอบผาที่เขายืนอยู่ก่อนได้อย่างทุรักทุเ ล, ละรับผินปลดเชือกออกจากปลายที่ผูกยึดไว้กับแง่งหินแล้วฉุดแขนหล่อนนําไตรนีแดนมฤริเตยียนนั้นกลับลงมายังเบื้องล่างอย่างเร็วที่สุด ทั้งสองเซธลาเข้ามาทิ้งตัวนั่งหอบอยู่ใกล้ชะงอนปากโพงด้านที่รับผินโผล่ออกมาในครั้งแรกยังไม่อาจพูดจาซักถามคำใดกันได้ ในขณะนั้นดารินก้มกายลงไปนอนพังภาพเหยียดยาวอยู่กับพื้นกายสั่นเทิมส่วนรับพินเอาหลังพิงก้อนหินหายใจทางปากแต่งอยู่ในภาวะนิ่งขึงตะลึงตะลายไปเหมือนไม่แน่ใจต่อสภาพในปัจจุบันพักใหญ่จึงค่อยๆสงบสติอารมณ์ลงได้แล้วหันมาพบสีหน้าและแววตาของกันและกันด้วยความรู้สึกอันยากที่จะบรรยายรับินนี่เรายังมีชีวิตอยู่อีกหรือดารินวราลิศหลุดปากทําลายความเงียบงันขึ้นเป็นประโยคแรก ผมก็สงสัยอยู่เหมือนกันแล้วนี่เราอยู่ที่ไหนพวกเราคนอื่นๆละ่ละหล่อนพูนพ ร, รมกวาดสายตาไปรอบๆระพิมพ์ยวันฝื่อยิ้มต่อมาแหบๆโดยไม่ขยับขยื่น สวรรค์หรือไม่ก็นรกเท่านั้นที่จะบอกได้คุณหญิงจําเหตุการณ์ครั้งสุดท้ายได้ไหมว่ามันเป็นมา ย, ยังไงผมชักไม่แน่ใจซะแล้วลำดับภาพไม่ถูกเหมือนกันตกอยู่ในความฝันอันสับสนหญิงสาวทําหน้าเหมือนจะร้องไห้จ้องหน้าเขาอยู่เช่นนั้นพางเหลียวไปรอบๆ อ, อ, อีกครั้งกระเดือดน้ําลายอันแห้งผากลงคอคุณพระช่วยหล่อนคลางออกมามีอาการงมไปเช่นกันนั่งชันเขา่าเอามือจับปลายคางขมวดคิ้วคิด พูดออกมาช้าๆเป็นห่วงเหมือนจะทบทวนด้วยความทรงจำเราถูกไฟป่าล้อมไว้หมดทุกด้านไม่ใช่หรือเราหนีเข้ามาในถ้าแล้วแล้วช้างป่าทั้งโคงก็หนีหลบไฟวิ่งตามหลังเราเข้ามาในถ้าด้วยพวกเราหนีไม่ทันมันก็ถึงตัวตอนนั้นดารินหยุดชะัะยกมือขึ้นกลุ่มขมับสันหน้าช้าๆตอนนั้นฉันจำอะไรไม่ได้อีกเลยเหตุการณ์มันเหมือนหลังที่ขาดรูปลง ถ้าะฉะนนั้นมันก็เป็นความจริงไม่ใช่ความฝันผมก็จำได้อย่างนั้นเหมือนกันว่าแต่คุณหญิงมารู้สึกตัวเมื่อไหร่ ประมาณสักไม่เกินครึ่งชั่วโมงที่แล้วมานี่เองขณะที่ลืมตาขึ้นมาพบว่าตัวเองนอนแช่อยู่ในสายน้ํำครึ่งตัวลึกประมาณโคนขาพื้นเบื้องล่างเป็นหินลื่นกระแสน้ํานั้นพัดไหลไปทางด้านหนึ่งซึ่งเป็นโพรงมืดมิดแต่มีแสงสว่างรำไรายอยู่ตรงข้ามกับทิศ ท, ทางน้ําไหลตอนนั้นฉันก็มึนงงไปหมดลําดับภาพเหตุการณ์ยังไงก็ไม่ถูกแปกใจตนเองว่าเหตุใดฉันตืงตกมาอยู่ในที่ประหลาดนั้นเพียงคนเดียวฉันลองตะโกนเรียกพรรคพวกแต่รอบด้านมันเงียบไปหมด ได้ยินแต่เสียงตัวเองสะท้อนอยู่ไปมากับสายน้ำที่ไหลยอยู่ในอุมโมงค์เท่านั้นในที่สุดฉันตัดสินใจเดินทวนกระแสน้ำบ่ายหน้าขึ้นไปยังแสงสว่างสลัวสลัวที่เห็นอยู่ปากทางไม่ห่างนัก พอพ้นร่องน้ำขึ้นไปได้สักสองเก้าเท่านั้นก็ถลาลื่นเป็นเพราะทางเทราตเต็มไปด้วยตะไคร่ชั้นล้มกลิ้งเสียหลักลงมาทางช่องอันเทราตนั้นต่อมาก็รู้สึกว่าหลุดพ้นปากป่องน้อยวูบลงมากลางอากาศแล้วก็ติดอยู่กับสายใยแมงมุมเหมือนอย่างตอนที่คุณเห็นนั่นแหละ ใยมันยึดแขนขาของฉันไม่หมดจนขยับขยื่นไม่ได้แม้แต่นิดเดียวระหว่างที่พยายามดิ้นรนช่วยตัวเองอยู่ฉันก็เห็นไอ้แมงมุมยักษ์นั้นไต่ลงมาจากหน้าผาพยายามจะตรงมาที่ฉันฉันตกใจจนหมดสติจะชักปืนสั้นยิงก็ยิงไม่ได้เพราะขยับแขนไม่ออกแล้วนี่คุณโผล่ออกมาเห็นฉันได้ยังไงจากไหน ผมได้ยินเสียงร้องขอบคุณสวรรค์ที่บรรดาให้คุณหญิงร้องขึ้นมาหาไม่เช่นนั้นแล้วผมจะตามมาไม่ถูกทางเลยหรือไม่เช่นนั้นก็อาจจะโผล่ออกมาสายไปครั้งแรกผมก็ไม่แน่ใจนึกว่าหูฝาดตาโชคดีที่คุณหญิงใช้เสียงให้เป็นประโยชน์แม้จะไม่ได้ตั้งใจหรือเจตนาก็ตามแต่ก็น่าจะขอบใจไอ้แมงมุยักษ์นั่นด้วยที่ชักย้ายไว้ตรงปากป่องนั่นเต็มไปหมดถ้าไม่มีใ ย, ยแมงมุมมาถึงคอยรับไว้คุณหญิงก็คงจะ ต, ตกลงมาแหลกแล้วไม่มีชิ้นดี เขาพูดเกือบไม่มีเสียง ห, หน่่ยหน้าขึ้นมองไปยังสายใ ย, ยอันคขื่นเต็มช่องสภาสองด้านนั้นอีกครั้งอย่างสยดสยองละคนพิศวงก็คุณล่ะเป็นยังไงมายังไงดารินถามอย่างไม่สังงงผมก็ตกอยู่ในสภาพเดียวกับคุณหญิงนั่นแหละจำได้ครั้งสุดท้ายว่าขณะที่หนีช้างซึ่งไล่หลังมากระชั้นชิด ผมเสียหลักตกลงไปในเหวที่มองไม่เห็นจากนั้นความรู้สึกตายมาฟื้นอีกครั้งตัวนอนติดอยู่บนตะข่ายถาวัรก้นป่องลึกตอ น, นึงมองไม่เห็นทางขึ้นสภาพของมันไม่ผิดอะไรกับโรคใต้บาดาลมีหนทางทะลุเชื่อมติดต่อกันโดยโพรงที่ชอนชัยเข้าไปใต้ดินผมก็พยายามคลําหาทางเปะปะมาตามบุญตามกรรมจนกระทั่งโผล่ออกมาก้นเหวตรงนี้และได้ยินเสียงคุณหญิงร้องนั่นแหละ หญิงสาวอุทานอะไรออกมาทำหนึ่งนี่ธรณีสูบเราลงมาชัดๆทีเดียวเรากํลาลังตกอยู่ใต้ก้นเหวอันล้ําลึกที่สุดแล้วก็ยังมองไม่เห็นทางออกแม้แต่นิดเดียวในมูลบาดาลนี่อีกฝ่ายหนึ่งตอบไปโยคมาสินงกระซิ์ได้เขาเงื้อเลาะรอยอะไรพวกเราบ้างหรือเปล่านักมนุษยวิทยาสาวคู้ร่วมชะตาการรมถามเร็วปืน อ, อย่างร่าเริงจอมผ่านสายหน้าช่ำช้าสายตาที่แลต่อไปยังการจับจ้องของหญิงสาวเต็มไปด้วยความว้างเปล่า ผมฟื้นขึ้นเมื่อครึ่งชั่วโมงที่แล้วงมหาทางอยู่คนเดียวแล้วก็งมหาพวกเราทุกคนด้วยแต่ไม่ได้ระแคะระคายอะไรเลยจนกระทั่งมาพบกับคุณหญิงเข้านี่แหละทีแรกผมคิดว่ามีผมคนเดียวที่รอดชีวิตอยู่ได้ เขาหน้าของดารินสิทธิ์ที่จะพรนานาได้เต็มไปด้วยความวาดหวานพันพึงตื่นตะโนกและพิศวงปนเปกันจนจําแนกไม่ถูกขณะเดียวกันมันก็เป็นครั้งแรกที่หล่อนเห็นแววทอดอะไรสิ้นหวังปรากฏขึ้นที่ดวงตาอันแห้งผ่าของจอมพานช่วยกันคิดให้ดีในเมื่อฉันและคุณตกมาอยู่ที่นี่และพบกันได้พวกเราทุกคนก็ไม่ควรจะกระจัดกระจายห่าออกไปเท่าไหร่นะมาช่วยกันตะโกนเรียกเถอะบางทีใครอาจจะได้ยินเสียงและตอบเรากลับมา แล้วพินยกมือขึ้นบีบขมับยังไม่กล่าวอะไรออกมาได้ในขณะนั้นยาบินพูดพลาดขึ้นยืนอีกครั้งป้องปากตะโกนเรียกชื่อพี่ชายและชายยันกบกล้องออกไปเสียงของหล่อนสะท้อนอยู่ระหว่างหน้าผาและซอกโพรงหินก้องหลอกหล่อนอยู่ไปมาฟังดูเกือบจะไม่ใช่เสียงมนุษย์ทุกครั้งที่หล่อนเปล่งเสียงแมงมุมยักษ์ที่เกาะประจําอยู่ยังใหญ่เบื้องบนที่ขึงอยู่ระเกะระกะไหวตัวสัมผัสกับคลื่นเสียงนั้น ต่อมาหล่อนก็ทิ้งกายนั่งลงอย่างหมบสิ้หนหวังใบหน้าขาวซีครางเรียกเขาเสียงเครือแลพินแล้วน้ำตาก็ไหลาพากอย่างสุดที่จะต้านทานกับความรู้สึกภายในต่อไปได้ปัจจนี้หล่อนเข้าใจสถานการณ์ที่เผชิญอยู่นี้ได้ดีแล้วโดยไม่จำเป็นต้องมีคำอธิบายใดๆในที่สุดก็ร้องไห้โฮออกมาอย่างลืมตัวซบหน้าลงกับฝ่ามือทั้งสองพูดกระท่อนกระแท่นแทบฟังไม่ได้สับ โผพี่ใหญ่ชา ย, ยันนี่เราได้มาถึงการวิบัติแล้วหรือแล้วพินทุกคนตายหมดแล้วใช่ไหมหรือเพียงเราสองคนเท่านั้นเป็นเป็นครั้งแรกที่ความหวั่นไหวอ่อนแอตามเพศแท้จริงสำแดงออกมาให้ปรากฏร่อนร้องไห้เหมือนเด็กๆอาการพิราบล่ำอย่างสะทกสะทานสะเทือนเพราะจิตใจที่ถูกครอบงำด้วยความวิตก กัวและคนทุกโศชนิดนั้นทำให้รับพินภายวันตกใจเสียยิ่งกว่าสถานการณ์ร้ายที่เผชิญอยู่ในขณะนี้เขาถูกปลุกให้ตื่นขึ้นจากอาการผวัเบึนชานั้นในฉับพลันในบรรดาสับความรู้สึกที่รุงประดังอยู่ในขณะนี้ยังไม่เท่ากับความสงสารและวิตกกังวลในอาการของนายจ้างสาวผู้ซึ่งไม่เหลือความเข้มแข็งใดๆอยู่อีกเลย ผานใหญ่รวบต้นแขนอันสั่นสะท้านทั้งสองไว้แน่นกระซิบเรียงให้สติตอบโยนในขณะที่หัวใจของตนเองก็หนักอึง้งดารินคงร้องไห้ตัวงออยู่เช่นนั้นซบหน้าลงกับแผ่นปกของจอมพลานอย่างหมดสิ้นการยึดเหนี่ยวไม่สามารถจะทนทานต่อความรู้สึกนานานประการที่คุกคามอยู่ในขณะนี้ได้เมื่อสำนึกบอกตนเองว่าพี่ชายร่วมสายโลหิตเพื่อนรัก ตอจนผู้ร่วมคณะทุกคนวิบัติย่อยยับถึงแก่ชีวิตไปหมดแล้วถูกแล้วหล่อนเป็นเพียงผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นผู้หญิงซึ่งไม่กล้าแข็งพอสําหรับเหตุการณ์อันบีบคั้นความรู้สึกอย่างโหดร้ายทารุณชนิดนี้ได้โปรดทําใจดีๆเถอะครับคุณหญิงเคยเป็นคนที่มีจิตใจเข้มแข็งที่สุดจงเข้มแข็งต่อไปความอ่อนแอทอดอะไรมันไม่ช่วยอะไรเราได้เลยขณะนี้เรากําลังต่อสู้อยู่กับโชคชะตาความกล้ามั่นคงประกอบด้วยสติสัมปชัญญะเท่านั้นที่จะช่วยเราได้ ห ล, หลับตาสะอื้นอย่างระทศระทวยจันทร์ศีรษะพูดทั้งร้องไห้ฉันเข้มแข็งต่อไปอีกไม่ได้แล้วในเมื่อรู้ว่าพี่ชายคนเดียวของฉันเพื่อนรักของฉันตลอดจนพวกเราทั้งหมดเสียชีวิตลงกันหมดแล้วฉันควรจะตายเจ้พร้อมๆกับพวกเขาไม่น่าที่จะมีชีวิตอยู่มาพบกับความรู้สึกอันทารุนร้ายกาจชนิดนี้เลยถึงอย่างไรคุณหญิงก็ยังอยู่ครั บ, ร, บระพินต์กับศิษที่ข้างหูแผ่วเบาน้ำเสียงเป่าต่ำ